วันนี้คณะสัตย า, า, ญญาติโยมลูกหลานก็คงอยากจะฟังอาการป่วยขององค์หลวงตาว่าวันนี้เป็นวันที่3ที่สทธันวาพุทธศักราช2553วันนี้องค์หลวงตาของเราอาการป่วยจะเป็นอย่างไรน ะ, นะผู้ที่อยู่ทางไกลหรืออยู่ทางบ้าน ที่ดูโทรทัศน์หรือเราฟังวิทยุขององค์หลวงตาก็คงจะอยากจะทราบว่าการป่วยของหลวงตาเป็นอย่างไรไประจําวันนะวันนี้อาตมาภาพหรือหลวงพ่อก็ขอมาบอกกล่าวไม่ใช่ชี้แจงแบบคณะแพทย์คณะหมอนะคณะหมอคณะแพทย์จะชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งพ่อเนี่ยอาตมาภาพนี่แบบกล่าวเล่าสิบประจําวัน หลวงพ่อเห็นมายังไงรู้มายังไงได้ถามพระผู้อุปถ ร, รมประากเป็นมายังไรหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวเท่าที่จะบอกกล่าวได้นะแล้วก็เมื่อวานอาการหลงตาดีขึ้นดีขึ้นมากนะแล้วก็ท่านออกไปข้างนอกสองครั้งครั้งที่ ครั้งหนึ่งออกไปไกลที่สุดก็คือสถานีวิทยุเออไปถึงสถานีวิทยุน้ำวานี้นะเออท่านยังเป็นห่วงนะท่านจังไปที่สถานีวิทยุนั่งรถก๊อบออลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานก็เดินเป็นขบวนตามหลังมั่งนั่นแหละ เ, ออเห็นแล้วปลื้มใจนะเออแล้วก็ตอนเย็นเย่านก็ออกมาอีกมาถึงทางสี่แยกออจากนั้นนะท่านก็กลับเข้ามาหาที่พักเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก 6 50วนาทีท่นานก็เข้าในห้องขอพักพอนะแต่อาการอาการหลงตาทั่วไปก็หัวใจคณะแพทย์ได้ตรวจว่าหัวใจปกติความดันปกติไข้ปกติไม่มีไข้นะแล้วก็การขับถ่ายมือเช้าเมื่อวานก็มืดคืนมือเช้าอาตอมาหลวงพ่ อ, อก็ได้ถามพระว่าเป็นไงก็หลงตาระบายถ่าย เมือมอม่อวานเมือเ่อคืนเนี้แล้วก็ปัสสาวะปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติกคือล่งตาเหนื่อยนะยังเหนื่อยอ่อนเพลียอยู่อาธรมาภาคผมได้ถามทาไมดวงลงตาจึางได้เหนื่อยคณ ะ, ะแพทย์บอกว่าระดับเข้มข้นของเลือดของดวงตาในต่ำหมอก็บอกกา อ, อย่างนั้นนะต่ำประมาณ20สิ ตามปกตินี่ยกว่า28ก็เต็มทีอยู่แล้วอันนี้20คุณสิวลด อ, อาการความเข้มข้นของเลือดวงหลงตาถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คงจะเอาเลือดอเข้าอเอาเลือดเข้าไปหลงตาก็จะหายเหนื่อยแต่นี่หลงตาของเราก็ยังคิดหนักใจเหมือนกันเพราะเมื่อปีก่อน ลงตารู้สึกว่าอ่อนเพลียอย่างนี้น่ะหลวงพ่อเนี่ยองหนึ่งล่ะเสนอว่าขอถวายเลือดหลวงตากับคณะสิทธิ์หลวงตาจะว่าไม่เอาหลวงตาบอกแปลว่าคราวนั้นก็เลยล้มเลิกว่างั้นเถอแต่คราวนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันนั่นแะถ้าว่าหลวงตาเหนื่อยอ่อ น, นคงจะได้คิดหาวิธีายา ก, กระตุนเม็ดเลือด ฉีดยาเข้าไปแต่ขึ้นนิดหน่อยเพราะงั้นนะยากระตุ้นเม็ดเลือดขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่มากคือฉีดเ ข, เข้าทางผิวหนังแต่ที่จะให้ถูกตรงจริงๆก็คือเลือดนี่แหละเอาเข้าไปแล้วก็คงลูกตาคงจะหายเหนื่อยอันนี้ก็คือความแพทย์หมอที่ได้หลงพ่อได้ถามไทยนะแต่ส่วนอื่น อาตมาภาพคิดว่าถ้าหาว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อวานนี้นะเกินการฉันเป็นยังไงพวกเรากคงอยากจะรู้อีกเหมือนกันการฉันลงตาเป็นยังไง่การฉันลงตาเมืม่อวานนฉันได้มากผู้ที่นับคำนับนับช้อนของท่านที่ที่ถวายท่านนับได้ถึง20ิช้อนโต๊ะกั้นเถอะแล้วก็ น, น้ําก็ฉันได้มาก เมื่อวานรนู้สึกว่าฉันได้มากทีเดียวที่ป่วยที่ลงอาการลงตาเจ็บไข้ได้ป่วยมากับเมื่อวานฉันได้มากแลกว้วกัการขับถ่ายของลงตาก็เป็นปกติสีปกติในอุจจระขององค์ลงตาเนี่ยพยาบาลทั้งหมอเนี่ยช่วยกันดูเพราะนั้นการเจ็บป่วยขององค์ลงตาที่ลงอาตมาภาพไปพูดได้ กล่าวให้แก่คณะทายาทโยมทุกหมู่เราได้รับทราบ พ, พวกเราทำด้วยความเคารพยิ่งเพราะถื อ, ถอว่าองค์หลวงตาเป็นพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นที่เคารพจดยิ่งในจิตใจผู้ที่เข้ามาใกล้ที่อุ ป, รรปถัมภะเพราะฉนั้นผู้อยู่ไกลคณะทายาทโยมลูกหลานผู้อยู่ไกล ก็ขอให้ส่งกำลังใจเข้ามาช่วยถ้าผู้ใดพอที่จะมาได้ก็มากราบมาไหว่ก็ดีเป็นิริเป็นมงคลถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกในการมาก็เมื่อได้ยินข่าวอย่างนี้ก็ไปแล้วก็เอ อ, เ อ, อยินดีอนโมทนาส่งพลังใจเข้ามาเพื่อให้สุขภาพพระณามัยของหลวงตาให้ดีขึ้นแต่อันนี้ก็คือ พวกเราจะถวายสุจตุปใจัยหรือว่าการแสดงออกเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างการถวายจตุปใจจัดว่าเป็นอามิทชููชาอามิทชููชาก็เป็นส่วนหนึ่งและก็ปฏิบัติปูชาปฏิบัติปูชาคือเราอยุดใกลขนาดไหนพอได้ยินธรรมคําสอนขององค์หลวงตาพวกเราก็ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติหลวงตาว่าให้มีศีลห้าอย่างนี้นะ ไอ้ไหว้พระอย่างนี้นะไอ้ภาวนาอย่างนี้นะพวกเราปกติปฏิบัติตามธรรมคาสอนขององค์หลวงตาอันนณระหว่าปฏิบัติบูชาแต่ปฏิบัติบูชานี่ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าจัดวันเลิศนะเลิศกว่าอามิชบูชานะปฏิบัติบูชานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทําตนให้เป็นคนดี ให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมให้มีจริยธรรมที่ดีให้คิดดีทำดีพูดดีนี่แหละคือการปฏิบัติบูบชาในองค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ์ท่ทนนะนี่ได้ยินแล้วก็ให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีหลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีกเพราะว่าพวกเราหลายคนนาน า, นาจิตตังนาน า, นาทัศนะอาจจะมีแนวความคิด คนหนึ่งคิดเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดคิดไปอย่างหนึ่งถ้าคิดเป็นอย่างเดียวกันก็คงจะชอบอันเดียวกันก็คงจะยุ่งเหมือนกันนะ divorced. ถ้าว่าชอบผมชอบอันนี้ละ่ะชอบสิ่งนี้ละ่ะต่างคนก็ต่างชอบจะนั้นก็คงจะมีการเกิดศึกสงครามกันขึ้นมาอีกเพราะต่างคนต่างชอบเนี่ยเป็นธรรมชาตินะเนเป็นธรรมชาติแต่ถึงยังไงจะถึงจะชอบยังไงก็ต้องให้อยู่ในชอบในหลักอยู่ในหลักเหตุผลอยู่ในหลักธรรมวินัย อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองถ้าว่าถึงจะชอบไปยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองจะไปชอบออกนอกลู่นอกทางคิดทะเลาะวิวาทกันคนหนึ่งแพ่งอย่างหนึ่งคนหนึ่งแพ่งไปอย่างหนึ่งมองกันในแง่ร้ายอันนั้นไม่เป็นผลดีองค์หลวงตาเราสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกบอกพวกเราอย่ามองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่เหตุผลคือแง่เหตผลก็คืออะไร คนเราก็มีโง่มีฉลาดมีขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมีขี้ทั้งหลายอย่างแต่ละคนเหมือนกันเะเออบางคนก็พูดหน่อยหนึ่งประด็โมโหขึ้นมาอันนี้แปลว่าคนขี้โกรธนะคนขี้โลภเห็นอะไรไม่แต่อยากได้อันนี้คนขี้โลภเราก็ต้องมองด้วยเหตุผลเออเอา อ, อันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ต้องเป็นอย่างนี้เราต้องมองในแง่เหตุผลนะ เ, เพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะจัทถายาติโยม ที่ได้ยินหลวงพ่อพูดตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดกล่าวอะไรมากมายเพราะสำนักแห่งนี้เป็นสำนักที่เคารพยิ่งน่ยิ่งของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อได้มาศึกษามาอยู่องค์หลวงตาเอารพบยุ่งสุดๆไม่แพ ไ, ไม่แพ้พวกเรานะหลวงพ่อเองไม่แพ้พวกเราความเคารพในจิตในใจนั้นแต่ที่ยังไงหลวงพ่อก็ต้องขอบอกกล่าวว่าเออนะพี่น้องของเรานะ ลูกหลานของเรานะเราเป็นคณะสิทธิ์ขององค์หลวงตานะให้รักเขารัหลวงตานะอย่าให้มีเรื่องมีเราอะไรเกิดขึ้นนะพินองทางร้ายนะอันนี้คือคณะสิทธิ์หรืรอว่าหลวงพ่อเนี่ยองหนึ่งบอกกล่าวเล่าสิบซึ่งกันละกันเพราะหลวงพ่อเนี่ยโดยมากจะสอนหรือบอกกล่าวเป็นนิทานนะนิทานมันจำได้ง่ายหลวงพ่อว่านะถ้าพูดธรรมราพูดแล้วก็จบไปแต่องค์หลวงตาเคยพูดมาครั้งหนึ่ง ถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดสมัยนั้นท่านไปเทศให้ลูกเสือชาวบ้านฟังเมื่อสาสิปีให้หลังนะหลวงพ่อยังจำไม่ลืมท่านบอกว่านี่นะท่านเปรียบเทียบอาอาคารศาลาหลังนี้หละเ่ะเ อ, อ, อันไหนสำคัญกว่ากันหลังคาสำคัญใช่ไหมเออถ้าว่าหลังคาสำคัญถ้าข้าวเออเดินขบวนออกซะวอล k กอ t ออกซะเออข้าวว่าขาไม่สาคัญขาววอกอออก กระเบื้องจะอยู่ได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าจันทันบอว่าเอ้าถ้าหากว่าลังคากับข้าวนี่สำคัญข้าพเจ้าบ็อกเอาออกซะข้าวกับลังคาจะอยู่ได้อย่างไรแ้นผลที่สุดข้าพเจ้าเนี่ยรักคุมไว้ไม่ให้ฝนตกฝนรั่วไม่ให้แดดเผาเสรจึงจะอยู่ได้ถ้าเสาโมโหขึ้นมาเอาท่ายางงั้นข้าเขา หนีไปซะให้สูญอยู่นี่อาคารก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันสรุปแล้วอาคารหลังนี้สําคัญด้วยกันทั้งหมดหลวงตา เ, เคย พ, พูดอย่างนั้นนะพูดอย่างนั้นให้พวกเราฟังพ่อหลวงพ่อฟังในข่าวนั้นยังจำไม่ลืมมาทั้งทุกวันยังซึ้งอยู่เปิดเทปขึ้นมาเมื่อไหร่หลวงพ่อก็ยังอือหลวงตานพูดถูกจริงๆในความพร้อมเพียงสามัคคีอย่าไปถือบุคคนนั้น สําคัญคนนี้สําคัญถ้าพวกเราเป็นสิทธิานุสิทธิของดวงตาแล้วคนหนึ่งปัดถนนคนหนึ่งทํำปูอาสนะคนหนึ่งปัดกวาดคนหนึ่งดูแ ล, แลน้ําคนหนึ่งดูแลห้องน้ําคนหนึ่งดูแลแขกล้วนแล้วจะเป็นบุคคลสําคัญด้วยกันทั้งนั้นอันนี้คือลูกศิษย์องค์ดวงตาเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่เข้ามาอยู่ใกล้องค์ลวงตาแล้วสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนที่จะเป็นสิ่งที่เรียบร้อย บูชาพระคุณองค์หลวงตาอย่าไปขยะกขยงว่าสิ่งนั้นต่าสิ่งนี้สูงอันนี้สิ่งนั้นไม่ได้หน้าสิ่งนั้นไม่ได้เกียรติปิดทองหลงังพระไปเถอะพวกเราทําไปแล้วไม่เสียหายเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราทั้งนั้นถ้าว่าพวกเราทําอะไรไมีแต่อยากได้หน้าไม่ได้เดชทำอะไรไมีแต่เสนอหน้าไม่ได้ให้อยู่ให้อยู่ห่างๆรูกว่าดูปฏิบัติองค์หลวงตานั่นแหะบุญกุศลคนนั้นะจะได้มากนะ นี่ะอันนี้ก็คือความพร้อมเพียงสมครคีท่านี้จะจะถ้าจะเปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกทีนี้ในครั้งพุทธกาลสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่เมืองโกสัมพีใ เ, เมืองโกสัมพีพระสงฆ์ฝ่ายละ500รองค์ทำมักกะทคือนักเทศ500รยอองค์และก็วินัยทรคือผูกเคล่งในกฎหมายเลวกเคล่งในกฎระเบียบเคล่งในวินัย500องค์ อยู่ด้วยกันแค่แ ค, คนหนึ่งเป็นนักเทศคนหนึ่งพ่อวีนยัยใช่ไหมคนหนึ่งรักษากฎคนหนึ่งเป็นแสดงธรรมต่อมาก็มีเรื่องในห้องน้ําในส้วมอย่างนั้นเถอะองค์หนึ่งเข้าไปในถ่ายแล้วไปขังน้ําไว้ในกระบอกพอใ น, นสู่กับองค์หนึ่ ง, ง, งก็ไปท่วงติง่งขนะึ้นมาสาววีนัยเนี่ยไปท่วงติ่งรำมกระถ์นะพอในสู่ก็เลยทะเลาะกันทนะเลาะตันแตกเป็นสองฝ่ายพระพุทธเจ้าที่เป็นประธานสงฆ์นะะ ห้ามยาพวกท่านอย่าท ะ, ทะเลาะ ก, กันการทะเลาะ ก, กันไม่เป็นผลดีนะยศอย่าทะเลาะ ก, กันแต่พระสงค์แล้วนั้นก็ยังแยกกันว่า ง, งั้นเถะขอให้พระองค์อยู่เป็นสุขพวกผมจะใช้วาทบอกกันห้ําหั่นกันเองใครจะแน่กว่ากันคณะนักทิฐิมรณะของสงค์ในยุคนั้นนะผลที่สุดพระองค์ก็เลโอ้ห้ามไม่ฟังหนีวะเนีหนีจากเออหนีจากเมืองโกสัมพีจากนั้นพระองค์ไปอยู่นั่นอะ ปีนั่นแหละพวกเราเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่มีช้างและมีลิงที่นั่งอยู่นั่นน่ะนั่นแหละพระพุทธองค์หนีจากพระสงฆ์แตกกันอนภะีนั้นไปจำพรรษาอยู่องค์เดียวอยู่ในป่าช้างกับลิงเป็นผู้มาปฏิบัติท่านนะแต่ใ น, นก่อนที่จะไปถึงทถนี่ยก่อนที่จะไปถึงไอ้หน้าที่พักของท่านท่านก็ไปแวะเยี่ยมเยือนพระอนุรุทธกินผลิวคุภัติยะติดติที่เป็นเชื้อพระวงศ์ของพระพุทธเจ้า ที่บวชพร้อมกับพระอานนท์ท่านไปอยู่ตามลําพังห้าหกองอยู่ด้วยกันพระองค์เดินทางผ่านไปเลยไปแวะไปแวะโอ้พระสงฆ์โก้ซ้ำพีแตกกันแหละเราบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเราจะหนีมาที่นี่แหละท่านวันหนีเราจะไปหาหนีไปที่อื่นนะอนุรท่ก็เลยนั่งฟังการแตกสมัคคีกันไม่ดีนะพวกท่านทั้งหลายนะอย่าไปยินดีในการแตกสมัคคีกันการแตกสมัคคีกันมันจิบหาย จีบหายทั้งฝูงนะ เ, เมื่อกับอดีตชาติอนะในเรื่องตะกอนเก่ามันเคยมีมาแล้ว เ, เรื่องทะเลาะกันแล้วมันแตกกันจนะิบหายทั้งฝูงนะพระอนุรทธาก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะพระพองค์ก็เลยพูดว่าอันในอดีตชาตนะิสมัยนั้นเราเกิดเป็นนกกระจาบนะเป็นนกกระจาบแต่นี่เรามีบริวารมากนะในยุคนั้น พอต่อมาทีนีอนกกระจาบหุ่นก็ไปด้วยกันเวลาบินไปที่ไหนก็ไปด้วยกันลงสนามหญ้าก็ลงด้วยกันลงท้องนาก็ลงด้วยกันลงป่าหญ้าไปหากินมเมล็ดหญ้าก็ไปด้วยกันลงด้วยกันพอต่อมาทีนี่ไ อ, อ, อ, อ, อ้ลองหัวหน้านีมันจับผิดหัวหน้าว่างั้นแต่ตามไม่จริงก็ไม่มีอะไ ร, รดูสีเวลาจะขึ้นไป กระบอกเร็วเกินไปเวลาจะลงมาถึงที่แล้วจะค่อยบอกอะไรมันเกิดจากั้นละสนัยงานนี่ยคนจะทะเลาะกันเหมือนกันเด้คนจะทะเลาะกันมันเป็นอย่างนั้นน้อยนอยดีนิดนมันก็มันก็หาเรื่องด้วยกันผลนสูยก็เลยนกสองฝูก็ได้แตกกันถึงทั้งหัวหน้ากับรองหัวหน้าแข่งขันกันผลนสูกยังไปด้วยกันอยู่นะแต่นกพอโพธิศาตว์โอ้ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องต้องมันต้อง ไม่ไหวแล้วเอีนกที่ฉลาดดังนั้นเดี๋ที่มองเห็นเห็นเหตุการ์แล้วท่านก็หลบหนีก็ต่อมาเท่นกสองฝูงเท่านี้ไปด้วยกันลงไปแล้วก็นี่ผานตาข่ายว่างั้นพวกผานตาข่ายนี่แค่กับพวกดักนกอ่ะมันเป็นตาข่ายเวลานกลงไปจีนเนี่ยมันจะเขาจะชักตาข่ายมันมีอะไรมีสายใยเนี่ยดักทึบมันจะข้อมนกว่างั้น ตะกรอนน่ยนกเป็นเป็นพันเป็นพันเป็นพันพันตัวเวลาตะข่ายพบขึ้นมามันปิดนะมันค่มหัวหน้าจะสั่งตัวเดียวเดะมีหัวหน้าคนเดียวตัวเดียวเอา้าพวกเราบินพอตะข่ายพับมาพอก็บินพึ่งขึ้นพร้อมกันเนี่ยตะข่ายถ้าไม่ขึ้นก็นทะลุเลยอย่างั้นเดะพราะมันบินพร้อมกันมันมีกําลังอ่ะพอต่อมานกแต่เป็นสองฝูงถิ่น คนตรงหัวหน้าเอ้าพวกเราบินไอ้พวกรองหัวหน้าเอาไอ้ตัวตัวไหนพวกไหนเก่งบินพวกเราไม่เก่งยาบินเพราะในสุดพวกฝ่ายหัวหน้าบินมันก็ไม่ขึ้นอีกเนีพอไม่บินไม่ขึ้นเนียพวกนี้ก็เหนื่อยเลไอ้พวกรองหัวหน้าเอาพวกเราบินไอ้พวกนั้นไม่เป็นเรื่องเห็นไม่บินแั้วไม่ได้เรื่องเอาพวกเราบินบินมันก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันเพราะว่ากําลังไม่พอ ขอเน้ส่วนกันายพานก็มาถึงพอดีกันรวบตาขายเข้าไปกับไม้เหลี่ยวมดมดมัดตีเข้าไปางั้นเด็นกทั้งหลายทั้งปวงก็เลยจิบหายทั้งหมดตายหมดเลยเอาลงเป็นกระทะเอาลงหม้อถอนโกรธแล้วก็ลงทอดเป็นกระทะใส่หม้อกระทะจ้ะเป็นอาหารโอชาของนายพานทั้งหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าน่ะแต่แย ก, กสามัคคีกันมันจิบหายทั้งฝูง เ, เพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการแตกทะเลาะวิวาทกันนะให้รักกันเอาไว้ให้มองกันในแง่เหตุผลในครั้งก่อนก็เหมือนกันการจองเวียนกันก็ไม่เป็นผลดีนะพวกท่านนะพระอนุรทุทธะก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกการจองเวียนกันในเรื่องอันไห น, นหนอะไปเจ้าข่าที่ว่าจองเวียนกันไม่เป็นผลดีพระพุทธองค์ว่าสมัยหนึ่งเออ เราเป็นลูกค้าเทวดาอยู่ในป่าเห็นเหตุการณ์เคอมีหมีใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในป่าแล้วมันมาหากินอยู่ในบริเวณนั้นใ น, ในกลางคืนพอโจนสว่างมันก็เลยไป น, นอนอยู่ใต้ร่มร่มไม้สะขอกั้นไป น, นอนร่มเป็ไม้สะโคแล้วกิ่งไม้สะขคกิ่งไม้เนี่ยไม้แห้งนะ่ยมันก็เลยหล่นมันหักว่างั้นเหรอเนตามอายุสังขารเข้ามานะมันหักว่างั้น ถ้ากิ่งไ ม, ไม้ไม่หักลงดินมันจะหักไปที่ไหนใช่ไหมเราก็คิดดูจะว่ากิ่งไม้มันหักขึ้นฟ้าไม่มีหรอกมันจะหักลงดินเี่ยแต่ใครมาอยู่ตรงใกล้มันมันก็ต้องหักมันก็ถูกเป็นธรรมดาหมีตัว น, นั้นไปนอนอยู่ใต้ถุนไม้สกอเ่ะมันก็เลยเกิ่งไม้เลยหักโะลงมาเลยเกิ่งไม้แห้งลงมาใส่ถูกหัวหมีพอดีว่างั้นโอ้ถูกหัวห ม, มีมีโมโหอย่างใหญ่เลยว่างั้นเถอะโธ่โธอ ไม้กิ่งไม้เดี๋ยวทำไมถูกหัวเราเอาเถอะสักวันหนึ่งข้าจะจัดการกับมันมุม่งีหมีแต่นั้นก็เดินตัวแต่เห็นหนีไปที่อื่นโดยพอโมโหงันะ่ะเลยไปหาหลบนอนที่อื่นคงจะเจ็บหัวพอสมควรเพราะกิ่งไม้แห้งบนใส่หัวงันอะพอต่อมาใช้สายที่นี้สายมีในช่างมาจากในบ้านครับ แบกเครื่องทัพผสมพาระมีมีมีมีดมีขวานมีผ้ามีเลื่อยงั้นเถอแบกเข้ามาในป่าเพื่อมาหาไม้เพื่อจะทำเป็นแอบลดงอนลดมันงั้นเอะแต่ไหดนเดินเข้ามาในป่าก็มีมีเห็นเนี่มีก็เห็นเห็นคนเลยก็เดินโต๊ะเตะเข้าไปหาคนอย่าไปคิดว่าหมูมีพูดได้มีทำไมพูดได้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนคนมันงั้นเถอะมีแลวก็เดินเข้าไปไปหาคน ท่านมาอะไรมีถามฝนเหมือนกันเละคนก็บอกว่ามาหาไม้เพื่อจะทำงอนรถหมีเหมือนกันเออเราอยู่ในป่านี้ก็นมนานไม้ที่แข็งแกร่งที่จะสมควรที่จะทำเป็นแอกรดงอนรถเนี่ยเรามองไม่เห็นไม้ต้นอื่นเราเห็นแต่ไม้เฉพาะต้นเนี้ยที่ต้นเนี้ยเราจะพาไปดูเหมาะสมแข็งแกร่งถ้าท่านได้ไม้ต้นนี้แล้วก็จะดีทำเป็นแอกรถ นายช่างนั้นก็เลยเออใช่ขนาดมีมันยังรู้จักว่าไม้แข็งไม้ไม้แข็งแตมันคงจะดีอย่างมีพูดว่าที่ไหนมีก็เลยเดินโตตีโต ต, ตีไปก็เลยปิดชี้ในต้นนี้แหละงั้นแต่นี้เจ้าเออนายช่างนั่นกัแบบเอาวางทัพผสัมภาระลงวางมีดวางขวานวางถุงเออเจ็ดเรียบร้อยกับเข้าไปกระตัดเลยแล้วงั้นแต่แตัดโค่นไม้ตัว น, นั้นลง ต้นไม้ตัวนั้นมันมีลูกคะเทวดาอยู่ในต้นไม้ตัวนั้นเองลูกค่ะเทวดาอยู่ต้นไม้ลูกข่ะเทวดากับโมโหให้มีอีกทีไหนเอ๊ะมีเนี่ยทำไมวะกับธรรมดากิ่งไม้มันไม่หล่นลงดินมันจะหล่นไปที่ไหนมันก็หล่นลงดินแต่มีเนี่ยทำไมผูกอาคาตพยาบาทข้าพเจ้าผูกอาคาตกับไม้บ้านของเราถึงขนาดที่มาคนล้มบ้านของเราอย่างนี้ลูกค่ะเทวดาว่านะเอาเถอะ ข้าได้โอกาสเมื่อไรข้าจะจัดการกับหมีตัวนี้จากนั้นกับเทววดาก็รีบลงมาจากต้นไม้เพราะเขาจะโค่นไม้เลยนี่พอลงมาแล้วก็ช่างไม้เลยก็ถากได้ท่พอโค่นไม้ลงมาแล้วก็ถากถากถากถากพอที่จะแบกได้ท่านลูกค้าเทววดานี่ก็แปลงตัวเป็นมนุษย์ท่านแปลงตัวเป็นมนุษย์เดินเข้ามาในช่างเธอทําอะไร ช่างเขบอกว่าทําแอกรถ เ, เพื่อจะเอาไปใส่ในรถ เ, เพื่อให้เนีม้าของข้าพเจ้ า, าได้ใช่แล้วก็จะให้แอกรถมันยังขาดจู๋ก็เลยมาทําเอาม้าในป่านี่แหละลูกคาเทวราก็บอกว่าอยากจะให้แอกรถงอนรถของท่านสวยไหมย อ, อยากจะให้สวยที่ท่านอยากจะให้สวยเนี่ยนะ เอาหนังหมีนะมาหุ้มนะวะเออถ้าเอาหนังหมีมาหุ้มนี่จะดํามึง้งสวยงามเล ย, ยงั้นเนี่นายช่างนี่จะถามว่าจะหาที่ไหนมีเนะี่ยหนังหมีนะเนี่อ้าวจะไปยากอะไรนี่เอาขวาในจ้องย่อ ง, องไปกระซับหัวมันเล ย, ยงนั้นเนี่หมีนอนอยู่นั่นวะเออแล้วยังค่อยทะลกเอาหนังมันม า, างั้นแล้วก็มาหุ้มงอนรถของท่านเออใช่ได้ไหมแต่นี่ยนายช่างนี่กิ ถือขวานได้ใช่ไหมก็ย่องย่องไปขวานสับหัวหมีแลว้วงันเถอะพอสับพ่วหนูหมีมันก็ดิน้นผาดผ่าทั้งมันยังไม่ไดิ้นเตรียมท่าเตรียมทางตัวเองตัดต้นไม้ก็ น, นอนุยสบายเหมือนกันเถอะไม่คิดว่าเขาจะเล่นงานตัวเองเหงือนกันเถอะพอในสุดเนี่ยนายช่างฟันสับหัวหมีเสร็จแล้วก็ถลกหนังอพอถลกหนังเสร็จแล้วก็ได้ทั้งหนังได้ทั้งไม้งอนรถไม้แอกรถเ่มือนเถอะ ก็เลพันมาก็เลยถือมากลับมาบ้านเพราะพระพุทธองค์บอกว่านี่นี่แหละเวนจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวนเวนจะระงับไม่ได้ด้วยการจองเวนเพราะฉะนั้นอย่ายินดีในการจองเวนซึ่งกันละกันให้เคารพสิทธิ์กันเอาไว้นะถ้ามีการจองเวนแล้วไม่มีที่สิ้นจุดเพราะฉะนั้นเนีอย่ายินดีในการจองเวนและกัการแตกสามัคคีกันก็จิบหายทั้งฝูงนี่พระพุทธเจ้า พอตัดเสร็จแล้วท่านก็เดินออกจากพระสงฆ์เหล่านั้นไปตามลําพังไปจำพรรษาที่ป่าเลนไหลไปอยู่กับช้างกับเปลืองปีนั้นนะ่ะนี่แหละให้พวกเราคิดดูให้ดีสิพราะพระเจ้าไม่ยินดีในการทะเลาะวิวาทกันและอีกครั้งหนึ่งเถิดเพราะว่าที่หลวงพ่อจะพูดเป็นชารดกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะถ้าว่าพูดเป็นธรรมดาพวกเราจะจํายากนะในครั้งหนึ่งไม่ในครั้งพุทธกาลเถิด อันอนี้เป็นชาดกนะฮันธิฐานห้าร้อยชาติที่พูดมาเนี่ยนะอันนี้ชาดกอันนี้เป็นพระธรรมปัทตะถานี่ยในยุคครั้งพุทธกาลเนี่ยั้งพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพุทธองค์เจดประทับอยู่ที่วัดเชตะวันมหาวิหารเนีพระองค์กำลังเทศอยู่แล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตะลีตะเหลือเข้าม า, างั้แต่อุ้มลูกเข้ามาแล้วบอกว่า อ, อยากจะกินลูกข้าอยากจะกินลูกข้า พระองค์ก็นั่งนั่งอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมันก็วิ่งมดเข้ามาในประตูรั้วประตูกำแพงองประตูเข้าวัดเหมือนกัแต่ยักษ์ขี้ดีต่นนั้นมาไม่ได้มันยืนอยู่ข้างนอกแต่นี่มันก็ผู้หญิงคนนี้ก็ะองพระพุดเอาลูกของตัวเองมาวางไว้ที่เท้า <c oughs> ของพระพุทธเจ้าอคนนั้นก็ผู้ดำเออเอาไม่เรื่องอะไรผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าข้าแต่งงานไปแล้วนะ่ะได้ลูก คนที่หนึ่งผีกระสือก็มากินลูกของข้าไปเจ้าออถ้าจะว่าไปกผีกระสือผีปอบหน่อยแต่สมัยนั้นเขาเรียกอมนุษย์ว่า ง, งั้นเถอะเป็นนักเป็นนักยักษ์คีนีว่า ง, งั้นเถอะสมัยนั้นในครั้งพุทธกาลว่ายักษ์คนีแต่สมัยนี้เขาว่าอผีกระสือน่ะผีปอบว่า ง, งั้นเถอะทีนี้มันมันกินลูกของข้าไปเจ้าครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองข้าไปเจ้ามีท้องแก่ข้าไปเจ้าก็ไปคลอดลูกที่ที่บ้านของ ของตระกูลเหมือนนพอเสร็จแล้วก็เลยอยากจะกลับไปทำงานที่เก่าอยากไปอยู่ที่บ้านเก่าที่ทำไร่ทำนาน ท, ทาสวนที่เก่าพอมาแล้วก็มาเจอกับนี่แหละกับยักษินีตัวนี้อีกจำได้ว่ายักษินีตัวนี้แหละที่มันกินลูกของพระเจ้าเมื่อข้าวก่อนพ่อพระเจ้าจึงวิ่งเข้ามาเนี่อันนี้ก็คืออยู่ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ะพระองค์บอกเออเอ า, เ, อาเรียกเข้ามา ทางผู้หญิงคนนี้โอ้อย่าไปเรียกเข้ามาเถินพระเจ้าข้าข้าพระเจ้ากลัวข้าพระเจ้ากลัวเอ้ยกลัวทําไมเข้ามาเพราะพระองค์รู้แล้วเนี่ยอคู่นี่เป็นคู่อริคู่จตรูกันพระองค์ก็เรียกเข้ามายักษ์คีรีตอนนั้นก็เข้ามาเข้ามากว่นี่นะพวกเธอนี่ยจองเวียนจองกรรมกันในอดีตนะจึงได้มาเป็นอย่างนี้ถ้าสงทัางหลายกระกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบาปกรรมบาปเวีนอันในหนอพระเจ้าข้า พระตมโมบอกว่านี่นะสมัยหนึ่งนะผู้หญิงสองคนนะเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งนะ่ะแต่งงานไปแล้วอยู่กับสามีไ ม, มไม่มีลูกเพราะไม่มีลูกทีนี้ก็สามีเนะ่ยเออไม่ได้นะถ้าไม่มีลูกเนะี่ยก็ทําให้ตระกูลของเราร่มจมจิบหายเนะพราะนั้นเราต้องไปเอาผู้หญิงคนอื่นมานะเพื่อจะได้ลูกมาเพื่อรักษาสมบัติ แต่ทีนี้ผู้หญิงที่เป็นที่แต่งงานก่อนน่ถ้าหากว่าในสามีของเราเนี่ยอาผู้หญิงคนอื่นมาเดี๋ยวจะมาข่มเราอีกแล้วจะมาเหยียบเราอีกเราจะหาให้เองผู้หญิงคนนี้ก็เลยเไปพูดก็เกลี้ยกล่อมกับชาวบ้านเขาว่ากันแตไปขอลูกเขาไปให้เป็นภรรยาของสามีของตนหรือให้เป็นเมียน้อยของสามีว่ากันแทีนี้เขาไปขอเขาก็กยินดียินยอมเพราะ ตระกูลของเขาเป็นคนร่ํารวยอในถิ่นนะั้นะก็เลยพอมาอยู่มาแตเนี่ยแต่ความอิจฉาของเมียใหญ่เมียหลวงในง้นแต่อิจฉาในจิตในใจออืถ้าว่ามันมีลูกเกิดบานมันก็ต้องเป็นใหญ่กว่าเราแน่แน่พ่อสามีก็จะทุ่มเทกับลูกเอ่เมื่อกงจะไม่มองเห็นเราอีกเอาเถอะถึงข่าจะเอามาแล้วข่าก็จะต้องมีพิธีการ่ะที่จะจัดการกับเมียน้อยของเขาเนี่ย ก็เลบอกบอกว่าเอ้ ย, น, อยน้องถ้าเธอมีท้องขึ้นมาแล้วให้บอกฉันนะเออผู้หญิงเที่มาเป็นเมียน้อยเนี่ยก็ใจซื่อใช่ไหมที่เป็นน้องกันเองเพรเออฉันตั้งครันแล้วนะคันฉันมีท้องแล้วเอเอออ็กินยาอันนี้นะคือแต่งยาเข้าไปเพื่อเพื่อแตงยาให้ให้คันมันตกมันั้นได้พอแต่งยาให้กิ น, พกนเพราะที่ไอ้ที่น้องเนี่ยก็ พอกินยาตอนนี้ไม่นานก็ขคันก็ตกเออพอคันตกต่อไม้อีกพอตั้งคันขึ้นที่สองอีกก็บอกอีกออบอกกับแม่ยายอีกใชั้นตั้งคันแล้วนะผู้หญิงคนนั้นก็ดแต่งยาอีกออให้เก้ากินอีกคันก็ตกอีกทีนี้ไ อ, อ้ผู้หญิงที่เป็น เ, เมียน้อย เอ๊ะทำไมมันเปลีนนี่ก็ไปบอกให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเขาบอกโอ้ยแก่นะ่ะโง่ไอ้เมียหลวงนะ่ะมันแตงยาให้เมืองกินคันตกกระีเนอเออท้า ง, งั้นก็ไม่บอกต่อไปนี้วัพอคันที่สามท่นี่พอตั้งคันคือว่าไม่บอกเลไม่บอกพราะลูกใหญ่ใหญ่หญ่ห ญ, ญ่ขึ้นจนเจ็ดแปดเดือนเข้ามาท่นนี่ลูกผู้ใหญ่เลยก็เลยบอกให้แม่ใหญ่ฟัง ฉันตั้งคันมาได้หลายเดือนแล้วนะเอา้าทําไมไม่บอกค่ะบอกคุณทีไรก็คันตกทุกทีเขานี่เลยไม่บอกโอ้ไม่ได้ไปละไปเออเอากินยาเานี่ยเไปบํารุงคันพอกินเข้าไปที่ไหนได้มันเป็นขยาฆ่าเด็กในครันเนี่ยพอกินเข้าไปเท่านั้นแหละท่านเนี่ยมันออกไม่ได้เด้กลูกมันใหญ่แล้วท่นเนี้ยเออก็เลยเอ็เมียน้อยนะกะ็เลยเอปวดท้องเข้ามาแบบอย่างหนักอะไรกระเสิกกระสนวุ่นวายก็เลยตายประมาณนี้ เอ อ, เ อ, อลูกในท้องก็ตายแม่ก็ตายพอตายทีนี้ก็คนทั้งหลายก็โอ้ยคงจะเป็นแม่ใหญ่พอนั่นแหละแต่งยาใยเมียน้อยมันกินเพราะมันเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่เป็นครั้งที่สามแล้วขำมาก็เลยลือไปสา ม, มีนี่ก็โมโหให้แม่ใหญ่ก็คงจะโมโหเขาคจะเตะซ้ายเตะขวาลักษณะจะมันว่าเพราะในจุด อ, อีนางนี่ก็ตายไปเหมือนกัน แม่ไอ ok like so, so so, so, ้เมียหลวงเราก็ตายเมียน้อยก็ตายทิ้งพอเมียหลวงตายเนี่ยไปเกิดเป็นไก่ไก่ในหมู่บ้านนั่นแหละเมียน้อยเนี่ยตายไปเนี่ไปเกิดเป็นแมวเหมน่ยในหมู่บ้านบ้านหลังเดียวกันพอจากนั้นพอไก่มันไข่ขึ้นมาไอ้แมวเนี่ยก็ย่องไปกินแต่ไข่มันเหมืนงั้นแหะไปกินไข่ไก่ไงพอในโสุดไก่ก็ไก่กินครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพอในสุดแมวจากนั้นก็ไปกัด ไก่กินทั้งแม่กินทั้งลูกมันด้วยทีไรออกจากนั้นเน่ยตายจากชาตินัํามาเกิดเป็นต้นนึ่งเกิดเป็นวัวทีไรต้นหนึงเกิดเป็นเสือเออก็ไปกินลูกวัวทั้งสองสามครั้งพราะใ น, นส่วนก็กินแม่มันอีกว่าไงนพะพอมาเกิดชาตินี้มาเกิดเป็นคนทีออต้นนั้นก็เกิดเป็นยักษกินีว่าไงนะมากินกันอีกเพราะพระโต้งบอกว่านี่นะถ้าพวกท่านทั้งสองไม่มาเจอเราตถาคต พวกเธอจะจองเวียนกันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับกากาก น, นกเขาจองเวีนกันทั่งเถียวเนี้ยงูเห่ากับพังพรมันจองเวีนกันทั้งทุกวันนี้นะมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่บัดนี้มาถึงเราตรถาคตแล้วการจองเวีนกันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าจองเวีนกันนะถ้าจองเวีนกันแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเวีจะระงับได้ด้วยการ ไม่จองเวรเท่านั้นเวรจะระ ง, งับไม่ได้ด้วยการจองเวรเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการจองเวรซึ่งกันและกันนี่แหละพราะพระเจ้าท่านตรัสในครั้งพุทธกาลเพราะนั้นพวกเราทุกทุท่านนะออสรุปแล้วท่นี้ย้อนมาหาพวกเราท่นี้พวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวออหลวงพ่อเนี่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเพราะนั้นพวกเราได้มา เจอองค์ดวงตาเราเป็นพระบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอริยะสงฆ์เป็นที่เคารพยิ่งของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเรามาเจอมาพบอย่างนี้แล้วพวกเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเรื่องเรื่องเวนเวนไพรไพรเรื่องจองกําจองเวนกันอย่าได้จองเวในในใ น, ในต่อหน้าต่อตาในพระสงฆ์อย่างองค์ลวงตาที่ท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ พวกเราควรจะสังสมคุณงามความดีในครั้งพุทธการพวกเราคิดดูซิเพราพระพุทธองค์ก็ยังให้ความสำคัญคนนั่นใกล้คนนี้ไกลขนะดพระพุทธเจ้าอของเราเป็นสยามภูรู้แจงโลกเป็นโลควิทูรู้แจงโลกพระพุทธองค์ยังทำไมจึงแต่งตั้งพระสาลีบทพระสงฆ์ทำไมไม่แต่งตั้ง ภาพปัจจวัคคีทั้งหโกนธัญะวะปะพัตยะมหานามาจฉิเป็นอัครสาวกทำไมไปเห็นแก่หน้าไปตั้งพระสารีบุตรพระโมคขาลาที่บวชมาทีหลังเนี่พระพุทธเจ้าคงจะเห็นว่าพวกนี้เป็นเศียฐีกระมังจึงไปตั้งพระโตมบอกว่าไม่ใช่ในอดีตชาติของเขาเนะ่ยโมกขาลาสารีบุตรเขาปรารถนามาเขาอยากจะเป็นพระอัครสาวกเพราะฉะนั้นเราให้ตามตำแหน่งที่เขาปรารถนามาในอดีตชาตินะี่ย เอออันนี้พวกเราหูหนวกตาบอดเรามองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าใครสมควรแก่ใครที่จะได้รับเอตตะพระเนี่เป็นสาวกข้างขวาเป็นข้าวข้างซ้ายอย่างพระอานุ์ก็เหมือนกันทําไมพระพุทธองค์ทำไมสั้งพระอ น, นุ์เป็นพระอุปถากเน่ยเพราะเห็นว่าเป็นน้องชายกับมะเป็นลูกพู่น้องกับมะจึงมาตั้งมาเป็นไม่องทําไมไม่ตั้งอันนี้ก็สมัยนั้นเขาก็ถกเถียงกัน ทำไมนางด้วยสาขาอนาถามีเด็กมิติกาเศรษฐีจึงเป็นทำไมจึงเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุปถัรอุปธรรมปตาใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงเห็นเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีมั้งสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วว่าสมควรอย่างไรไม่สมควรอย่างไรแก่ท่านผู้ใดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านให้มองกันในแง่เหตุผล องหลวงตาของเราเนี่ยเป็นธรรมนะเป็นธรรมท่านมองยังไงพวกเราจงยอมรับในความคิดความเห็นขององค์หลวงตาถ้าว่าเราเชื่อในองคหลวงตาเคารพในองคหลวงตาพวกเราก็ต้องปฏิบัติเคารพในแนวความคิดหรือปฏิปทาขององคหลวงตาหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์และมีความสุขพวกเรามาอยู่ใกล้องคหลวงตาเป็นพระบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว พวกเรายังมาเพ่งมองกันในสิ่งที่ไม่ดีในแง่ร้ายไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นหลวงพ่อเป็นคณะสิทธิ์ลูกศิษย์ขององค์หลวงตาท่านหนึ่งขอบอกกล่าวให้พี่พี่น้องนคณะศรัทธาญาติโยมด้วยกันให้มองกันในแง่เหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายให้รักกันเอาไว้พี่น้องกันแล้วก็มีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกัน แต่ผู้ที่ท่านเคารพนับถือก็ต้องดูคนอื่นเขาอย่าไปพยองพองตัวจองหองพองตัวก็ไม่ถูกนะเหมือนกับพี่น้องของเราพ่อแม่รักคนใดคนนั้นก็เกลียดคนนั้นชังคนนี้กันแหนกแหนคนนั้นดูถูกคนนั้นคนนี้พี่น้องโดยกันก็เกลียดชังทั้งหมดเพราะเหตุหอะไรเพราะคนนั้นนิสัยไม่ดีถ้านิสัยดีแล้วก็ต้องมองกันในแง่เหตุในแง่ผลรักกันเอาไว พี่น้องอันเดียวกันนี่แหละหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะคณะสัทายาญาณโยมทุกทุกท่านที่หลวงพ่อได้กล่าวไปนี้ไม่ได้พูดให้คนนั้นไม่ได้พูดให้คนนี้ไม่ได้กันแหนคนนั้นคนนี้เพียงแต่ว่าพูดด้วยหลักเหตุผลให้พวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลือสิเที่อาตมาภาพพูดในวันนี้นะ่ะเป็นยังไงนะ แล้วก็พร้อมกันก็นอยากจะให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยเกิดมาชาตินี้นะหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่เป็นสมเณีเป็นสมเณีปีสองพันห้อยะหลวงพ่อบวชนะเป็นสมเณเกึ่งพุทธการเหมือนกันเป็นเนนอยู่แปดปีปีนี้เท่าไหร่ห้าสิบสามนะเฉพาะผ้านี่ยสี่สิบหกพันษาเป็นเนนอีกแปด เป็นเท่าไหร่ชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อนี่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งชีวิตว่างั้นและเราวด้วยบุญกุศลที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญมาเนี่ยตั้งแต่ส ม, มันเนีจนถึงบัดนี้แล้วงานเถอแล้วพวกเราทั้งหลายก็ควรจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะตั้งแต่พวกเราในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันในชาตินี้ก็ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายทั้งมวลขอให้ประมวลมาเนี่ย ให้เป็นพรังนะเป็นพรังเพื่อกลหนุนอขอให้สุขภาพของลวงต า, าแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นร่มร่มโพ ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร่มใสของพวกเรานานเท่านานรอยี่สิปีเป็นอายุไขด้วยเทิน